วันนี้เป็นวันเก็บปฏิบัติจเจริญสติร่วมกันมาวันที่สามแลวเอาเรื่องพระศาสดามหาศาสดามาเปิดตอนหนึ่งทีงนี้เพื่อจะสอบอารมณ์ภายในตัวว่าใครยังจำอะไรได้บ้างมีคนจำอะไรได้บ้าง มีไหมไม่มีใครจำอะไรได้เลย <c oughs> นั่นแสดงว่าสอบอารมณ์ผ่านนะถ้าใครขืนจำได้ตอนใดตอนหนึ่งนี้มันเรียกว่าติดอารมณ์เลยวันนี้ติดอารมณ์จริงเรื่องนี้ตอนที่มาไปฝรั่งเศ <c oughs> ทสทธิ์ของหลวงพ่อที่ได้หันมาพูดตะมาว่าทางในฮอลลีวูดเข้ามาติดต่อ หมู่บ้านพลัมเขาจะแสดงหนังเรื่องศาสดาผู้ได้เจ้าศาสดามหาศาสดาโลกนี่แหละให้ทางฝ่ายผู้ดยการสร้างจากฮอลลีวูดเนี่ยมาคุยกันในเรื่องคอนเซปต์หลักทั้งหมดว่าจะจัดอย่างไรเนี่ยโดยเอาหนังสือเล่มหนึ่งของท่านที่นันท์ที่ว่า ทางช่างเผือกเมกสีขาวนะเป็นพุทธประวัติเล่มใหญ่ทีเดียวทนี้การให้คำทั้งหมดเป็นสำนวนของบ้ณพรมทั้งหมดนะที่เอานัาแสดงเอามาใช้นี่นะก็เพราะที่ได้หันว่าก็ได้อยู่แต่ว่าก่อนที่จะแสดงเรื่องนี้ให้อดดาราฮอลลีวูดทั้งหมดที่ที่จะแสดงเนี่ยมาปฏิบัติก่อนได้ไหม <laughs> เราถ้าหาไม่ปฏิบัติเวลาแสดงออกไปเนี่ยมันไม่คมกลืนมาเจริญสติได้ทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเขาทางฝ่ายทำวิเลนเนี่ยเขาจะไม่รับค่าลิขสิทธิ์ทั้งการแสดงทั้งหนังสือที่ไปแสดงนี่นะแต่ขอมีเงื่อนไขว่าขอให้เอานักแสดงเนี่ยมาปฏิบัติเจริญสติแบบแบบ บรรพมก่อนแล้วทางนั้นก็ต่อสออก่าถ้าเรื่องลิขิตเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเงินหลายพันล้านมากทั่วเพราะหนังเรื่องนี้จะต้องไปทั่วโลกท่านีนีท่นนะทานบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยจะก่อตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์เด็กยากจนในอินเดียทั้งหมดเพราะพระพุทธเจ้ารอดมาได้เพราะเด็กเลี้ยงเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงควายในอินเดียตอนที่ท่นทานบำเพ็ญ ภุกคกรยาแล้วจะไปลมสลบไปนะว่าเด็กเลี้ยงแก่เนี่ยเอ า, เอาน้ํานมเนี่ยไปหยอดปากท่านแล้วก็ฟื้นคืนมาแล้วตอนออกเผยแพทย์ใหม่ๆก็เผยแพทย์กับเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มแรกในเวอร์ชันของท่านนะจริงไม่จริงไม่รู้นะแล้วก็ท่านก็สอนเรื่องตื่นรู้เสอนเรื่องเจริญสติติเรื่องตื่นรู้สัมผัสสติ นิพุตตินิพุตติที่แรกท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องตื่นรู้แบบในเวอร์ชั่นของเราพูดถึงว่าให้เด็กรู้เนื้อรู้ตัวทําอะไรให้รู้เนื้อรู้ตัวไปเด็กก็มาเรียนมากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าอย่างนั้นว่าสมณะสอนอย่างนี้พระสมณะก็เป็นนิพุตติสินิพุตติแต่ว่าตื่นรู้แล้าตื่นรู้ก็คือพุทธ นพิพุชติพุชติพุชิติพุทธะท่านก็เป็นผู้ตื่นรู้ก็เลยเด็กเนี่ยตั้งชื่อกลับพุทธะให้ตั้งชื่อให้พระพุทธเจา้าพระสมณะขวนามาจากก็ว่าไปพากลุ่มของเด็กเนี่ยฝึกคือตอนนั้นก่อนที่จะเดินทางไปนึกถึงใครที่จะใครจะปรดใครก่อนเนี่ยนึกถึงอาจารย์ทั้งสองก็บกเขาว่าตายไปแล้วก็นึกถึงเพื่อน หสี่ทั้ง5เนี่ยก็จเดินทางในโชคที่เดินทางไปเนี่ยไปเจอเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงแกะที่ต่างท่านก็พูดเรื่องเนี้ยคุยกับเด็กไปเด็กก็เลยว่าถ้าท่านพูดเรื่องนี้กัท่านก็เป็นผู้ถือรูปเขคือผู้โธพุทธในชื่อนี้ก็ได้ถูกตั้งโดยเด็กเพราะงั้นท่านรอดเพราะชีวิตเพราะเด็กเพราะนั้นผลประโยชน์ที่ได้จากการแสดงหนังเรื่องนี้ให้เอามาตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์ เด็กในอินเดียทั้งหมดก็ตกลงผลประโยชน์กันแล้วนะอันนี้ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงพวกนักแสดงฮอลลีวูดไ ม, ไม่ไม่มีใครรับทั้งหมดอะ่ะเพราะพวกพวกคนคิดพวกพวกอิสลามใช่ไหมเขาก็รับเงินไขไม่ได้ก็เลยตกลงกันไม่ได้ตอนนั้นที่มาไปเนี่ยเขาพูดเลอเออท่านมาเรื่อยๆคนเขีา จ, จะได้เข้าฉากกับเขานะ พราะกำลังเลือกพระเอกมีท่านพระไทยองค์หนึ่งชื่อท่านพิทยาเอกถ่ายพิทยานะเป็นคนเป็นคนนครศรีธรรมราชไปอยู่ที่นั่นทนะ่านอยู่ที่นั่นนานนะ เ, เมื่อปีกายมาไปเจ อ, อทีหนึ่งเอาตอนแรกท่านบวชเป็นแบบบ้าพราหเนี่ยใส่ชุดสีดําสีกรักนี่ยเอาไปเจ อ, อ ท, ที่ท่านเป็นกับเป็นเทรว า, าทใหม่ไปเจอที่เดียรพนะักเนี่ยเอาท่านออกม า, ามได้เมื่อไรผมออกมาได้สองปีแล้วเอาทำไมอะ มีปัญหากันแกันอ่ะปัญห า, ามไปทา ม, มาท่านจะเดินไปทางที่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์เามีพระสาขาหลวงพ่อชาองค์หนึ่งไปตั้งวัดในในป่าท่านจะไปจําบรรษาที่นั่นก็เลยเจอได้คุยกันเรื่องความเป็นไปเป็นมาเอาเรื่องที่จะแสดงว่าจะเอาท่านเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้นทำไมคือท่านรูปหลอนะจะมูกโดงแล้วก็คม ก็ไม่ไม่ตกลงกันเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์น้องนั้นเพราะดาราฮันดิวส์ไม่ยอมต่อมาก็เศรษฐีชาวอินเดียนะที่สร้างมหาเจดีย์พุทธท่านให้แก่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็สั้างนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำมหาเจดีย์นี้ให้สำเร็จก็คงจะส่วนหนึ่งก็ทางอินเดียเขาคงไม่เห็นด้วยก็จะเอาอพุทธศาสนาแบบของมหาย า, ยานแบบท่านที่ได้ทานเนี่ย น, นะไปเป็นเวอร์ชันทั้งหมดเพราะเป็นมหาย า, ยาน แต่ทางอียิปต์เขาต้องการให้เป็นเวอร์ชั่นของเทรวาสท่านก็แต่งตัวเป็นชุดเถรวาสนั่นองเห็นอยู่ที่ความได้รู้ความเป็นมาที่หน่อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางอียิปตว่าจำนวนการภาคอะไรทั้งหมดเนี่ยคอใช้ของเพราะเรื่อส่วนหนึ่งของบัลปามก็ได้ประโยชน์จากการคอใช้คําภาคทั้งหมดแต่จำนวนท่านที่ได้หันฟังใช่ใชใชไหมเรื่องคําพูดเรื่องอะไรเนี่ยสลัสลสวยสมัยใหม่นะ ก็ใช้เป็นภาษาของเทรว่าสเสียเป็นภาษาบาลีภาษามคตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะไม่ทันสมัยก็มาใช้สมนวนของความวิเดชก็อาจจะไดไ้ผลประโยชน์ไปส่วนหนึ่งหลนะท่านั้นเองก็ได้ไปมีส่วนรับรู้เรื่องนี้กับเขาด้วยว่ทาทั้งนั้นเลยในะสมนวนของทางความวิเดชทั้งนั้นเลยเามาพากันนะแล้วเป็นสมนวนที่ทันสมัยไพเราะภาษาดอกไม้ที่ท่านพูดนะ่ย แต่ว่าเพื่อเอกก็หลอกว่านมากกับท่านพิทยาของเราน่อยพิยาเราหน้าไทยๆ น, น่นาฮุมแบบอันนี้เขาหน้าในอินเดียออกเต็มที่นี่นะเชื่ออะไรนะที่มาออกโชว์ในรายการโุรั์ไทยทั้งหลายแห่งเนียเชื่ออะไร่าเป็นฮินดูนะแล้วก็พาแฟนเข้ามาด้วยชื่อธุมาคุมา ท, ทูมาทูยอะไรอย่างกซึเส อ, อย่างนี่แหละนะ เพรนั้นเองก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาขึ้นมาอินเดียอย่างสําคัญแล้วล่าสุดก็เลือกนายกเป็นชาวพุทธด้วยใช่ไหมประธานาธิบดีเลือนายกท่านมุทีที่เรียกไ ว, ไวนะัยๆเนี่ยประธานาธิบดีใช่มไหมเป็นชาวพุทธเป็นคนจันทานด้วยนะเออนียนะเอามีเกยียนพิธีรับศีลห้าศีลโอหันายกเราหน้าอายมากเลยนะพราะนั้นว่าเป็นชาวพุทธเรา เก้าสิบกวันนะใจของเรากับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพุทธศาสนาในประเทศไทยดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องนำมาพรลบให้กันฟังว่าทุกวันนี้กําลังตื่นตัวนะกำลังตื่นตัวเรื่องพุทธศาสนาเพราะยิ่งศึกษาไปมันยิ่งท้าพิสูจน์ว่าความเป็นวิทยาศาสตร์ในพุทธศาสนานี่ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ดันในจุดนี้ถ้าหากว่าใครมีพื้นเป็นนักวิทยาศาสตร์มาก่อนนโมศกษาพุทธศาสนาเนี่ยมันโวยชนเดียวกันหมดแต่ว่าในนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค้นพบในแง่ของทางด้านรูปธรรมแต่สิ่งพระพุทธเจ้านํามาก่อนโดยการค้นพบทางด้านนามธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ทาง น, นมามธรรมคนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ไปเรียนรู้คัมภี์ทางพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในหลักของวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็มาประยุกต์เป็นด้านวัตถุ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 เรื่องที่เราปฏิบัติที่นี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยทันสมัยถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราได้ตรวจสอบแล้วก็คิดว่าต่อไปพวกเราจึงศึกษาเรื่องนี้ให้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าชาวต่างประเทศที่เขาเป็นชาวพุทธก็จะมาศึกษามาถามไขเรื่องนี้ถ้าหากว่ามาเจ อ, อผีเจอพรามเจอ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 ประเพณีท้องถิ่นแบบพุทธศาสนาท้องเอาไว้หรือ เ, เขาเลาะเอาแต่สาระไปนะนั้นเองสิ่งที่พยายามสื่อความหมายกันที่นี่ก็คือให้มันมีเหตุมีผลที่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องให้เห็นไปเรื่องอรูปธรรมน ะ, ะในช่วงบ่ายมีเพื่อนของชีพึ่งเนี่ยม า, มาพบมาก็แวะไปพบพักหนึ่ง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 ที่สองที่สมที่4นอกตัวแต่พอเรามาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการกลับมาหาวัตถุที่หนึ่งคือรูปกับนามนะถ้าสมมุติเราใช้วัตถุที่2ที่สมที่4ออกไปจิตของเราก็จะถูกแบ่งแยกออกไปจากตัวแล้วมันก็จะให้น้ําหนักลงไปกับวัตถุที่เราไปสัมผัสแม้แต่ว่าหนังสือสวดมน์เนี่ย แล้วว่าเราอยู่ใกล้เนี่ยใกล้ตัวที่สุดแล้วพอไปขึ้นโปรเจคเตอร์มันก็ยิ่งห่างตัวเราีกใช่ไหมจิตของเราอยู่ที่ น, ลลทนู่นแล้วทีนี้ยอหนังสือเรียกว่าอยู่ใกล้ยังพอไี่อยู่แต่ทางที่ดีที่สุดคือให้จําเพราะฉะนั้นสวดไปสวดมาเอามาจําได้เกิดทั้งเล่มหนังนะสือนะ เ, เพราะอะไรเพราะมันสวดทุกวันมันก็จะจำได้เช่นเดียวกันเวลาเราเกี่ยวข้องกับตัวเองเนะให้เกี่ยวข้องสิ่งที่ในตัวเนี่ยให้มากที่สุด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 วัตถุนอกตัวเช่นใช้รูปคำใช้เทียนใช้ทูบใช้เพ่งใช้บริกรรมลูกแก้วลูกอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้ถ้าทั้งสร้างจินตนาการขึ้นมาในเป็นรูปของสัญญาต่างๆก็ถือว่าเป็นวัตถุที่สองอยู่วัตถุที่สองคือเป็นนามรูปไงเพราะตัวเราเป็นรูปนามใช่ไหยพอสร้างสัญญาขึ้นมาก็เป็นนามรูปก็ถือว่าเป็นวัตถุที่สองถึงแม้จะอยู่ในกายในใจก็ตามก็ยังเป็นใช้สัญญา ะอะไรสัญญาเนี่อยู่ในขันห้าใช่ไหมขันห้ามก็ตกอยู่ในกฎของอะไรของใจรักใช่ไหมเพราะสัญญาณก็เสื่อมแต่พอมาจับสัญที่สัญญาใหม่มันก็คือสัญญาตัวนี้เป็นสัญญาใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเรียกว่าเป็นตัวตื่นรู้หรือตัวรู้สึกเนี่ยมันเป็นสัญญาใหม่ที่เรียกว่าไมฟูเนสหรือว่าแอเวซึ่งแอเวในภาษาฝรั่งเค้าก A ็แอเทางด้านวัตถุ เอาแหวถึงด้วยสัญญาไม่ใช่เอาแหวนด้วยความรู้สึกตัวแต่เราจึงไม่ใช้คำหมายว่า mindfulness mindfulness แปลว่าเต็มใจใช่ไหมมีใจนะ m i n d f u l แต่เอาแหวนนี่ก็คือสังวรและระมัดระวังตระหนักรู้ในสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่การเป็นการเข้ามาเกี่ยวจิตโดยตรงนะเพราะนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราจึงต้องพยายามตั้งตั้งจิตอยู่ในลักษณะ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 เทียนนะดังนั้นสิ่งที่สองอย่างนี่มาสัมผัสสำคัญแล้วเก็นพลังงานอันหนึ่งคือตัวสภาวะที่เป็นทุกขเวทนาคือแสงไฟและออกจากแสงนึงมาที่เราเข้าไปรับรู้ได้คื อ, ค, อความรู้ความรู้สึกต่อสิ่งนั้นตัวนี้ต่างหากที่เรียกว่าใจหรือ ว, วิญญาณใช่จิตวิญญาณทั้งจิตทั้งวิญญาณก็ยังอยู่ในขันห้าอยู่ ต่อเมื่อเราเอามาใช้คําว่าญาณมันถึงแยกออกมาเป็นตัวรู้ต่างหาซึ่งเร า, เามาสร้างดังนั้นสิ่งแรกที่พุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของธรรมจักรกับพระสูตรที่มาในธรรมจักรท่านบอกญาณังนะจกคุงุองอทัปปิคําว่าจาักรุงอุทัปปิได้แก่อะไรได้แก่ญาณได้แก่ปัญญาวิชาแสงสว่างใช่ไหมทั้งสี่อย่างเนี่ยเป็นแสงสว่างคือต้องมีตัวรู้ แล้วก็ต้องมีตัวรู้ผู้ทั่วและจะต้องมีตัวรู้ที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและเป็นตัวรู้ที่ให้ความสว่างสวัยภายในก็คือตัวสติสมัชัญญาและปัญญานั่นเองดังนั้นเราก็จะมารวมทั้งสีอย่างเนี่ยทั้งสติสมัชย์สมาธิปัญญาทั้ง4ตัวทั้งญาณทั้งปัญญาทั้งวิชาและอโลกะทั้ง4ตัวนี้ก็เป็นตัวรู้รวมกันเรียกว่าตัวรู้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 สองระดับต้นคือระดับอย่างร ะ, ระดับกลางและร ะ, ระดับหยาบก็คือเป็นทุกขเวทนาทางกายนั่นเองอแต่ว่าระดับละเอียดจะเป็นสุขเวทนาทางกายเรามักจะรู้แค่สองระดับคือระดับที่เราทนได้กับทนไม่ได้ใช่ไหมแต่ทัวที่เราไม่ต้องทนหรือทนง่ายเนี่ยคือสุขเวทนาดูนี่ตังหะที่เราต้องการแต่มันก็เป็นเวทนาใช่ไหมทีนี้อีกสมระดับคือหยาบกลางละเอียด ของทางใจหรือทางจิตเนี่ยเช่นเราอยากจนทนไม่ได้อยากจนน้ำไหลไหลใช่ไหมฉันอยากว่าขึ้นทนไมไ่ฉันกินเลยอ่ะนะฉันอยากจนทนไม่ได้ฉันตบหน้ามันเลยเนะฉันอยากจนทนไม่ได้ต้องพูดต้องด่า ล, ลงไปเนี่ยคือเรียกได้ว่าอยากเื็นความรู้สึกที่อยากจนทนไม่ได้ก็เกิดไม่สามารถจะยั้งจิตอยู่อันที่สองขุ่นอยู่ในใจ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 ทนไม่ได้คือความรู้สึกไม่ชอ บ, ชอบและไม่ชอบมากๆแต่ความรู้สึกชอบนเป็นความรู้สึกที่ละเอียดทั้ง3ระดับเนี่ยตอนนั้นในความรู้สึกกายรู้สึกใจทั้งอย่างไะ3ระดับเนี่ยมาบวกกันเข้าแล้วในส่วนความรู้สึกทุกขเวทนาะทางกายระดับกายก็เป็นการเกิดเกิดในส่วนที่ทนได้ก็ทนไม่ได้เป็นการเกิดในส่วนที่ไม่ต้องทอน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 ที่เราทนได้ที่เราทนไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องทนเนี่ยถ้าเห็นความสัมพันธ์ทั้ง3าอย่างนี้ชัดเจนเรือกว่าเห็นการเกิดดับทางอารมณ์ทันไหมทันไหมทีนี้เมื่อเราจะไปเห็นการเกิดดับของอารมณ์คือกิน ก, การเกิดดับทางความคิดเนี่ยทั้งสระดับได้ทั้งเกิดดับของกายก็ทางส่วนทุยทนไม่ได้ทนได้แล้วก็ทนได้ง่ายๆหรือไม่ต้องทน ทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งอารมณ์เราก็จะไล่กันไปไล่กันมาอย่างนี้นทบทนวนตรวจสอบกัไปกันมาจิตของเรามันก็จะมาซึมซับรับรู้ต่อเวทนาทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนานขึ้นนานขึ้นความรู้สึกที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นสัญญาใหม่ตัวนี้มันเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาจากขันห้า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 รู้สึกสบายเนี่ยเป็นผลของมันนะแต่ที่นี้ผลมี2ลักษณะผลที่เป็นต้องเปลี่ยนแปลงคืออยู่ภายใต้อำนาจของใตรักคือผลที่เป็นรูปแต่ในส่วนผลที่เป็นนามคือนอกเหนือกฎของใจรักษณในส่วนที่นอกเหนือกดของใจรักนี่เองเราก็ความรู้สึกที่หยาบนะความรู้สึกที่หยาบเช่นความไม่พอใจมากๆ หรือความรักมากๆความชังมากมากที่จนทนไม่ได้ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยก็ถือว่าอยากตัวนี้มันกลับมาเป็นรูปเรียกว่านามาูปนแต่ในความรู้สึกสบายผ่อนคลายเองก็เป็นนามารูปอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถจะแยกออกได้ว่าความรู้สึกพอใจหยาบ ก, กับกลางเนี่ยเป็นอาการที่ร้อนใช่ไ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 มันก็จะเหลือความรู้สึกสบายโปร่งโล่งเบาสบายล้วนๆอันนี้ก็จะแยกออกนามรูปก็เหลือแต่นามล้วนๆนะอันนี้ไม่รู้ติดตามทันไหมคือในส่วนสาระที่สําคัญนะอยากจะให้ไปพิจารณาจุดที่เวลาเราเก็บอารมณ์เพราะะฉนั้นเองการที่เราจะต้องมาปฏิบัติธรรมก็จะต้องรับรู้ทำความรู้สึกทั้งสามระดับเนี่ยให้ชัดไว้เสมอ ให้รู้ชัดเท่านั้นนะเพราะนั่นเจะเห็นว่าในสติปัฏฐานสูตรท่านจะเน้นในระดับหย่าบท่านจะใช้เน้นคําว่าปชานาติคือรู้ชัดคัดชั้นโตว่คัดชามีติปัจจานาติให้รู้ชัดๆว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนแต่พอในความรู้สึกระดับกลางท่านใช้คําว่าสัมปัจจานะการีอ่าสัมปัจจานะใช้คำว่าอภิกันเตปฏิกเตสัมปชานะ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 ระดับหยาบไม่ให้รู้ให้ชัดใช่ไหมในอารมณ์ทางจิตก็เหมือนกันเช่นคาว่ า, า, าคาว่าสาระคังวา่าจิตตังสาระคังจิตตันติปรญชานาติเหมือนกันความรู้สึกเป็นโรคราคะโทสโมหะเป็นคนรู้สึกแบบหยาบๆยาบใช่มท่านก็ให้รู้ให้ชัดถึงแม้ว่ามันเป็นนามมารูปก็ตามแต่ให้รู้ชัดเหมือนกันเพราะมันมีรูปอยู่ แต่พอมันมีความรู้สึกทั่วพร้อมทั้งหมดท่านไม่ใช้ทั้งประชานาติท่านไม่ใช้ทั้งสัมปิชาณะกะลีท่านมาใช้คําว่าศิกขาศึกษ า, าเช่นคําว่าสาภาวะกายปิสังเวทีอาศัศิสศามีติสิคติเราจะถึงทําความศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะถึงกายทั้งหมดถ้ารู้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสามวงวงที่หนึ่งคือจุดใช้ประชานาติใช่ไหม วงที่สองขยายกว้างไว้หน่อยใช้สัมปชาญกาลีวงที่สามพิกว้างที่สุดเป็นสิกติให้ศึกษาที่ลักษณะของการรู้จึงมีสามระดับเหมือนกันระดับหยาพันใช้ให้รู้ให้ชัดคือประชานาติระดับกลางให้รู้ให้ทั่วเรียกว่าสัมปชาญการีระดับละเอียดที่สุดให้ใช้คําว่าเสมศึกษาเพราะนั้นจึงใช้ก็ว่าศีลสิส่ขาจิตแต่สิ่ขาแล้วก็ปัญญาสิ่ขา ที่คำว่าสึกษาที่เราไมา่ใช่ว่าศึกษาเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตที่ใช้ค๊อสสลาเนภาษาบาลีที่ใช้คำว่า ส, สเสือเนี่ยมันมาจากบาลีคําว่าสกังอิคติติสิกขาผู้ใดเห็นความเป็นเองหรือผู้ใดเห็นตนเองผู้นั้นชื่อว่ามีการศึกษาถ้าหากว่าไม่รู้สิ่งนั้นด้วยตัวไม่เห็นด้วยตนเอง ไปเห็นจากผู้อื่นสอนไปเห็นจากคนอื่นบอกไปเห็นจากคนอื่นเขียนนี่นนะก็หมายความว่าไม่ได้รู้ด้วยตนเองนะถึงแม้ว่าเราจะเรียนพระไตรปิฎกปิจปิจุเรียนพระไปิฎกป่ด ก, ด ก, ด ก, กจนจบแล้วก็อ่านพระไตรปิฎกจนจบก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพราะอันนั้นเราไม่ได้รู้เองเราไปจําทั้งหมดนะแต่พอเรามารู้ด้วยตัวเองเนี่ยแม้จะไม่อ่านพระไตรปิฎกเลยเราก็สามารถที่จะมีการศราึกษาสูงได้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 ดูไอ้คนที่เราโกรธใช่ไหมแล้วก็เดียวเป็นอาการที่เราโกรธเราไม่เห็นเลยนะไม่เห็นความรู้สึกนั่นเลยอันนี้คนไม่ได้ฝึกฝนเพราะคนฝึกฝนไม่ใหม่ก็ยากอยู่ในการที่จะดูอาการใช่ไหมอาการของโทสะอาการไม่พอใจมันร้อนมันเล่ามันลุ่มมันเป็นอย่างไรมันสั่นสะเทือนอย่างไรความรู้สึกเม้อาการราคากำหนดแล้วมนกันเวลามันเล่ามันร้อนมันรุ่มขึ้นมาอาการมันเป็นอย่างไรก็ให้ดูเข้าไปสิ่งนั้น ดูสิ่งนั้นว่ามันเที่ยงไหมความรู้สึกราคาทูตสาวมหามันตั้งอยู่ได้นานไหมก็ดูมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมราเห็นมันหายไปมันเกิดขึ้นร้อยครั้งพันหนก็เห็นมันร้อยครั้งพันหนในที่สุดเราก็เห็นการเกิดดับของกิเลสอันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็มีประสบการณ์ไปร้อยครั้งพันหนมืนกัลักษณะที่มันเกิดขึ้นมามันจะเกิดความเอะไรรุ่มร้อนใช่ไหมเกิดความรุ่มร้อนเกิดความบีบคั้นเกิดความกดดันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ เป็นทุกข์ใช่ไหมในขณะนั้นก็เหมือนไฟเผาเราดังนั้นการที่เราจะเบื่อหน่ายใครจ้งในสิ่งนั้นได้มากกว่าจิตของเราจะต้องได้เกิดรับรู้กับโทษหรือภัยของสิ่งนั้นจนจนซึ้งอะ่ะในที่สุดเกิดญาณอันหนึ่งที่นิพพิทายานใช่ไหมเกิดการเบื่อหน่ายอย่างสุดสุดในอาการเหล่าเนี้ยเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกได้ดูอาการของความกำหนัดก็ดีความ โลกพอดีความเพลินราคาโทรศัโมหันเป็นร้อยครั้งพันหนนเนี่ยเราดูมันร้อยครั้งพันหนก็เหมือนหนึ่งว่าเราได้สมมติน้ำข้นๆเนี่ยน้ําตาลน้ําเกลืออะไรที่มันข้นถ้าเราเดิมน้ําปล่าไปทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นนะเป็นร้อยครั้งเป็นร้อยแก้วพันแก้วน้ํานั้นถ้าเป็นน้ําเค็มมันจะเค็มต่อไปไหมน้ําที่หวานมันจะหวานต่อไปไหมน้ําที่มันร้อนมันจะร้อนต่อไปไหมไม่ละหมดสภาพเพราะฉะนั้นสภาพของราคาโทรศัพมันหมดมันหมดลักษณะอย่างนี้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 ใช่แต่ถ้าคนที่ฝึกฝนดีแล้วเนี่ยก็ยิ่งเกิดก็ยิ่งเติมสิ่งนี้เข้าไปยิ่งเติมความารู้เข้าไปในนั้นลักษณะนี้นเรียกว่าสิกขิศึกษาคือการเจียจางดโดยตนเองด้วยความรู้ของตัวเองไม่ใช่ถ้าหากคนอื่นบอกร้อยครัง้งคนหนนถ้าเราไม่ทำเองเนี่ยมันจะเป็นไหมมันก็ไม่เป็นมันก็ยัง เราฟังเทศมากี่กันฟังครูบาอาจารย์มากี่คนใช่ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้เคยจชื่จ้างบ้างไหมถ้าเราไม่ทาเองมันก็ยังเข้มเหมือนเดิมเนะีเพราะฉะนั้นไม่มีทางอื่นเลยเราต้องลงมือทําเองทําบ่อยๆเพื่อให้เกิดไอการทักษะหรือที่เราเจือจ้างไปท่านใช้วิปัสนาญาณอายานทัศนะที่เห็นด้วยอาการว่าอาการที่เป็นรูปอนามธรรมามันเป็นอย่างเนี้ยดังนั้นเองว่าคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ ไม่เชื่อสนิทว่าจะไปละลาขาโทศมูหาได้มันละได้อย่างไรใช่ไหมเพราะมันฝังเป็นสนดานมาอย่างสนิทแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรแต่พอเรามาศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าอ๋อมันมันเป็นไปได้ไม่ยากนะเพะเียงแต่ว่าเรามีศรัทธาพอไม่มีความเพียรพอไม่ที่จะทําเท่านั้นเองนะดังนั้น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 นั่นเองสิ่งเหล่านี้ราคาโาาทรศัมหอถูกเชีย่ยจางบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าัานก็จื่อจางไประดับภาษสดับบันก็เชีย่ยจางไปแล้วใช่ไหมเจี่ยจางเข้มข้นอันแรกคือสกฤติทิฏฐิยู่ความสักพรนธ์มันหมายผิดเนี่ยทุกครั้งเวลาเกิดขึ้นตัวเองปับ๊บแทนที่จะไปกูใช่ไหมเออนึกว่ารูปนามรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไปมันก็ ม, นกมันก็ไม่ใช่ไปเติมแล้วใช่ไหมไม่ไปเติมกูแล้วไม่ไดเติมอัตราแล้วเติมความรู้สึกตัวเข้าไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็อ่อนตัวลง เมื่อก่อนเขาด่าเขาว่านี่จะลมขึ้นตึกใช่ไหมรู้สึกเลยใช่อหมอพอหลายข้างก็หลายข้างก็เหลื อ, อไอ้หน่องเนี้ย <laughs> มันมันชักเหลือขึ้นมากคุณมัวนิดนิดหน่อยก็ได้หายไปใช่ไหมเขาบ่อยเข้าบา่อยเ า, า, าก็เหลือนิดเดียวก็เป็นพระสิ ก, าานะสกิธาข า, า, า, ขามีแล้วอย่างงี้เนี้ยสกิงเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวเดียวนะสกิธาคาสกาตคาขามีหรืสกิธ า, ามันบอกคําว่าสกิงกะอสกิขามีคือเกิดขึ้นเดียวเดียวโกดก็แป๊บเดียวก็หายแล้ว เวลากําหนัดความใคร่ขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายแล้วเวลาความเพลิๆๆดเพลินดูหนังฟังเพลงมาแป๊บเดียวก็เบื่อละเมื่อก่อนนี่โอ้อินทั้งวันเลยนะดูทั้งเรื่องเลยว่าเนี่ยไม่จบเนะนี่ยเนี่ยมลักษณะอย่างเงี้ยเขาว่าเขาว่าสกิทาคามีสกาธาคามีคืออารมณ์เกิดขึ้นต อ, อบสนองเดี๋ยวเดียวจบนะเพราะนั่นเองในลักษณะเงี้ยมันก็จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําแต่ว่ามันยากที่จะศรัทธาและลงมือเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราได้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 ถ้าดูออกข้างนอกเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมดูกลับเข้ามาข้างในเป็นสัมมาทิฐิแค่นี้เองนะถ้าดูไปอดีตอ น, นาคตเป็นมิจฉาทิฐิถ้าดูปัจจุบันเป็นสัมมาทิฐิอ่ามันก็จะเห็นอย่างนี้พอเราดูปัจจุบันปั๊บความคิดความอ่านต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าเราดูออข้างนอกปั๊บเปนอดีนาคตความคิดต่อมามก็จะเป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานอ่ทางแยกของมันทันทีเลยนะ เพะนันเรจเริญสติเราจึงเน้นให้ดูปัจจุบันให้ชัดเนี่ยดูให้ชัดคำว่าปัจจุบันที่ท่านใช้นิยามเมื่อกี้ว่าดูเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นรอบๆด้านใช่ไหมที่ท่านพูดกับสนชัยพลิ้วไพชกสนชัยที่เป็นอาจารย์ของสาริบุตรมา่ก่อนนั่นแนหะอาจารย์ท่านสาริบุตรเห็นทำครั้งแรกว่าจะไปไปช่วนอาจารย์เหมือนกับพระพุทธเจ้านึกถึงอุท ธ, ธากาดาบทอราดาดาบทเพราะสาริบุตรเหมือนกันอ ไปนึกถึงเพื่อนเอาเพื่อนมาได้แต่ไปนึกถึงอาจารย์ก็ไปคุยกับอาจารย์อ่าไปคุยกับอาจารย์เทีย่ยงคุยกันไปคุณมาอาจารย์สนชัยในยเหตุผลเลยสู้ท่านภาษาริบุตรไม่ได้แต่ในสุดไม่มีทางออกเลยบอกว่สาสลิบุตรในโลกนี้ถือว่าคนโง่คนฉลาดเนี่ยอันไหนมากกว่ากันออ ก, กง่ายๆเลยนะบอกคนโง่มากกว่าเ่ราะฉันหากินกับคนโง่ก็แล้วกันคนฉลาดมีไม่มากก็เลยไปหา ฮะอันสักยะสักยะโคตมาใช่ใช่ไหมเอาไปง่ายๆเลย อ, ออกน้ำคุุนๆเลยนะเอาตัวรอดไปนีบอกว่าเราเนี่ยมันเป็นระดับศ า, ศาสดาเพราะนั้นมันจะไปหาคนอื่นนัมันเสียสมาชิกหมดไม่เอานั่นนั่นเธอว่าเฉลี่าเฉลไปก็แล้วกันเนี่ยแต่ว่ามาเจอต่อมาเขาบอกสัญชัยมาเจอพุธทธเจ้าตามประวัตินะก็ยอมพุทธเจ้าเหมือนกันนะเมื่อมันทุกถูกลุมเล้ามากๆ พออะไรยิ่งนานเข้าสารีบุตรก็เริ่มเอาลูกศิษย์ห น, นีไปเรื่อยๆไงไอ้คนไหนมันนี่ก็ขอพูดรู้เรื่องก็ดึงไปดูงไปสันใจในที่สุดก็ยอมมหาวุฒิยาเหมือนกันอะนั้นเองก็อยากจะให้ช่วงเก็บอารมณ์เนี่ยผู้ที่ให้มาเก็บอารมณ์ในช่วงบ่ายเนี่ยไม่รู้ว่าไปดูแบบนี้หรือเปล่าคุณวิทยาหรือไปดูแบบที่หลวงพ่อว่ามานันหรือเปล่าก็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 ว่ขนาดเราเขาไปทำเนี่ยความเบื่อเกิดขึ้นความซึ้งเกิดขึ้นความม่วงเกิดขึ้นความปวดเมื่อยเกิดขึ้นความาลังเลยสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยจัดการกับมันได้อย่างไรเวลาไปเก็บอารมณ์ถ้าอยู่คนเดียวมันก็เกิดเบื่อเกิดง่วงเกิดเงาเห็นเพื่อนก็ใช่ไหมคือมีกําลังใจมีเพื่อนเชียร์อยู่ข้า ง, างๆใช่ไหมแต่ทีนี้ว่อาออกมาสู้เดียวๆ เ, เนี่ยออกมาสู้เดี่ยวจะสู้ไหวไหมเนี่ยนี่คือให้มาเก็บอารมณ์เพื่อจะให้มาสู้เดียวดูบ้างนะ แล้วก็เวลาเรามีสถานะความเพียรมันก็เป็นการง่ายที่จะเป็นเหตุให้เกิดตัวสมาธิทิฏฐคือกลับมาหาตัวเองกลับมาดูตัวเองแต่ในนิยามของคําว่าสมาธิทิฐิที่เป็นหลักทฤษฎีก็คือให้มารู้ว่าร่างกายของเราเป็นที่ตั้งของทุกเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นขณะนี้ที่มันไม่เป็นที่พึงพอใจไม่มีความสุขเนี่ยมันเป็นการแสดงตัวของทุกขไม่ใช่การแสดงตัวของเรา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 แต่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ต้องดับใช่ไหมส่วนมันจะดับช้าดับเร็วมันก็อยู่กับว่าการดับการเกิดถ้ามันสมดุลกันเมื่อไหร่หมายความว่านั่นก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นและแต่เมื่อไหร่ที่มันยังสไลด์ไปสไลด์มานะสูกบ้างทุกบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างคิดบ้างไม่คิดบ้างสไลด์ไปสไลด์มาอยู่เราก็ตามดูมันจนกระทั่งมาจุดโฟกัสมันมาเห็นปัจจุบันชัดขึ้นปั๊บเนี่ยแสงสว่างก็ว่าขึ้นมาทีหนึ่ง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 แต่เมื่อใดเราสามารถปรับการเกิดการดับที่มันสไลด์ไปสไลามาตกกลางพอดีปับ๊บหรือว่าได้อาลมหรือจะนั่งได้นานนะนั่งได้เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหนักเลยนะตัวนี้เขาเรียกว่ามันลงล็อกปัจจุบันละแล้วก็มนเทนดำรงเอาไว้นั่งสร้างจังวะเท่าไหร่อย่าให้มันง่วงมันก็ไม่ง่วง มันจะตื่นตัวอยู่เสมอแต่ตอนที่ยังไม่ลงล็อกมันสไลด์ไปสไลด์มาเนี่ยทํางานงอกแงกงอกแง ก, งกไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าอย า, อยาทิ้งความพยายามอปรับไปปรับมาเดี๋ยวมันลงล็อกมันจนไดนะ้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยว่ามันพร้อมตอนไหนแล้วก็ยอมรับมันเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าอาการของจิตมันยังแกว่งอยู่เนี่ยก็พยายามปรับนะ คือพยายามถ้าพยายามปรับเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่าการกดในแง่ของบางกลุ่มบางคณะเขาใช้วิธีกดวิธีที่บังคับนะมันมันจะสไลดก็ บ, บังคับมให้มันอยู่ตรงนี้บังคับมันเพราะมันแกล้งบังคับให้มันนิ่งอยู่ตรงนี้เอาพอเผือว่าเอามันไปทางนี้แหละเอาไปมาเหนื่อยเลยใช่ไหมอันนี้เราค่อยประครองอมันก็สไลด์ไปใช่ไหมเราค่อยประคองประคองเหมือนกับเราประครองกับลูกไก่นะแต่ถ้าบีบแล้วมันก็จะตายถ้าปล่อยมันก็จะอ หลุดล่วงประคองฉันใช้คําว่าประคองจิตนะประคองไม่ให้มันไม่ให้มันแกว่ไวเกินไปให้แข็งชาลงชาลงพั๊บพอลงทีปั๊บมันล็อกตัวของมันอได้อารมณ์อีกชุดใหญ่นะแล้วแต่มันจะอยู่ตรงนั้นนานหรือไม่นานดังนั้นเองการไปทั้งนี้มันเกิดไปทั้งนี้มันดับใช่ไหมมันสลาไปพอเสาวงล็อกปัจจุบันปั๊บมาอยู่เหนือกันเกิดดับอ่าอยู่เหนือการเกิดดับปัญญาเกิดว่าบเลยใช่ไหมอ่าทั้งเกิดทั้งดับมาประสบกันปั๊บเป็นแสงสว่างเหมือนขั้บวกขั้ลบ ดวงไฟใหญ่ใช่ไหมในช่วงที่มันยังไม่เท่ากันกับไฟมันแว้บๆพอมันควบปรับความถี่ได้ที่ปั๊กพุ่งขึ้นมาเป็นแสงสว่างจีเราก็เช่นนั้นเหมือนกันนะดังนั้นในตัวรู้เล็ ก, ลกๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น น, นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้ น, น, น, นจนไปถึงภาวะที่เราชัดเจนนะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าทําความเข้าใจให้ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องคนเรื่องทไ ด, ทได้สบายๆ แต่ว่าประการสำคัญเราอย่าไปเกลเอท่านเองเกลเอที่ไปทั่วเรื่องโน้นเรื่องนี้เอานั้นมาคิดอันนี้มาปรุงมาแต่งนี่เรียกว่าเสียเวลานะเสียเวลาเหนื่อยเปล่านะนั่นเองที่น้องเขาถามในช่วงบ่ายก็เรื่องนี้ว่าเราไปพบครูบาอาจารย์มากี่ท่านกี่ท่านก็ตามนะถ้าเรายังเอามาไม่มาปรับเป็นหลักการของตัวเองให้ได้เนี่ยมันก็ยังไม่จบนะ เพราะว่าความรู้ที่แท้จริงมันอยู่ที่เราแต่ครูอาจารย์เพียงแต่ว่าไกด์ไปว่าชี้ว่าอันนั้นอันนี้เท่านั้นเองที่นี้เราจะเอามาใช้ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่เราอีกทีนึง่งก็ขึ้นอยู่กับระดับนะความตั้งใจของเราทีนี้เราก็ไม่เพอทําทไปเรื่อยๆจนกว่าจะตับใดถ้าหากสิ่ของเรามันสไลด์ไปสเลามาเนี่ยเขาเรียกมันมีวิบากกรรมอยู่แกว่งไปตามกําลังของกรรมใช่ไหมแรงเวี่ยงของการเกิดดับแต่ถ้าหากว่าเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้า กฎของสติสมญญานึงสามารถสลายกฎของกรรมได้ไงคือมันสามารถประคองอทําให้มันเบาลงเบาลงกรรมเพราะนั้นคนจะมีกรรมหนักมากขนาดอย่างองคุลิมานใช่ไหมฆ่าคนมากขนาไหนในเมื่ อ, อยอมรับว่าสิ่งที่ทํำ ม, มันผิดแล้วก็แสดงว่ามีสติสมิธญาแล้วแต่คนที่สติสมญาไม่ดีทําอะไรผิดมาเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมรับไปใช่มไหมมันกม็มีทางเดียวคือเข้าหลับประหารนั่นเนะ แต่อันน some ี้มายอมรับสารภาพผิดเอาเลดกหนึ่งในสหนึ่ในสองแล้วก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นลักษณะคือว่าไทยบาปละแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งต้นใหม่นะเพราะฉะนั้นไม่มีในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เทาวอก็ปรับไปปรับมาอยู่เงี้ยแต่ในศาสนาอื่นคุณต้องนรกเทาวรนะไปสวรรค์เาวอเลยนะแต่พุทธศาสนานรกเปลี่ยนพร้อมไปเปลี่ยนเป็นสวรรค์ได้สวรรค์พร้อมเปลี่ยนเป็นนรกได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เงื่อนไข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 นะแต่ว่านายอันเบิร์ตไอสไตน์เขาบอกมันเรียนรู้นาะมาทำได้ครึ่งเดียวแต่มันยอมรับควาสองพุทธเจ้าอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีเวลามากพอที่จะไปสนใจมันไปจมอยู่ที่เสดีที่เป็นวัตถุฉนะนั้นเราทั้งหลายก็เหมือนได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตรนะ์ในการที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นวิทวากรวิศวกรของตัวเองนะที่เราจะมาเซตอัประบบตัวรู้ต่างๆนะให้ด้วยตัวเองเนะอามาก็ถามว่า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 ทุกต้องกําหนดรู้นะคุณผิดตั้งแต่แรกแล้วเป้าหมายคุณตั้งไว้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยวันนั้นให้รู้ให้รู้จักมันให้รู้จักมันเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อที่จะได้รู้ที่ไปที่มาของมันรู้เหตุของมันแล้วรู้ที่ไปที่มาของมันแล้วก็ต้องใช้มันไม่ใช่เอามันทิ้ง <c oughs> คุณสร้างบ้านหลังหนึ่งถ้าไม่มีน้ํามีไฟเข้าเนะี่ยคุณเข้าไปอยู่ไม่ได้นะใช่ไหมคุณก็ต้องเอาไฟเข้าแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เป็นวิศวก ร, รช่างไฟจเจนะี๋ยงเนี่ยคุณก็ต้องเสียเงินแหละ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 เป็นวิศวกรทางจิตอเมนทอนอินจี in, เนออียไม่ใช่นักศึกษาธรรมดาในวะิญยาโทุวิยาเอกทั้งนั้นเลยเนะี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเลยใช่ไหมมีหรือเปล่าลงข้าวลงทะเบียนนะไม่มีนะโอโหเราฟรี oh, no, มากเลยนะตอนนั้นต่อไปในะทางธรรมโตเข้ามาจัดข้อสอนเรานะี่เขาเก็บหนักเลยนะ เ, ออเก็บหนักข้อลหลายพันอนะ่ะ มีสามีพญาาฝรั่งคนหนึ่งมาจากที่ภูเก็ตเขาเคาเยเรียนรู้ไปจากของพ่อของเขียนนี่นะเขาไปจัดคอร์ดคอร์ดลยสามพันคอร์ดเลยสี่พันแล้วก็จะแอบไปดูเขาว่าเขาสอนกันแบบไหนกันแนะ่แต่เดี๋ยวนี้หายเหย็น ห, หายไปแล้วเพราะเขานิมนต์พาไปบ่อยๆเขาพวกคุณนะที่นิมนต์เราไปอ่ะคุณอะไรคุณวิสารเนาะนะที่ภูเก็ต ก็นะเขาก็เริ่มต้นมาจากนั้นเตอนนั้นจึงอยากจะให้พวกเราเนะี่ยตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ดีๆแน่นอนพวกเราจะเป็นเจ้าเจ้าสานักท่านนั่นนะต่อไปนะถ้าให้เริ่มปฏิบัติอย่างน้อยก็เป็นเจ้าสานักในครอบครัวไว้ก่อนนะมีพูกมีพ่อมีแม่มีอะไรกร็สอนหลวงพ่อเทีนก็เริ่มจากในครอบครัวมาก่อนใช่ไหมหลังอย่าดให้บรรลุทรรมาเราก็ต้องเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวเองก่อนจะเริ่มคนเริ่มจากคนใกล้ตัวเองคนใกลตัวก็ไม่ยาก นะคนที่ใกล้ตัวเนี่ยเอาอยากที่สุด น, นะคนไหนจัดการได้ก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นเจ้าสํานักได้ละดังนั้นก็อยากจะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยด้วยใจนะด้วยความเข้าใจแล้วชีวิตของเรามันแทจะไม่รู้จักคําว่าทุกข์เลยน ะ, ะมันลืมไปเลยคําว่าทุกขนะ์เนี่ยแต่เรื่องความไม่สบายทุกทางกายยังมีอยู่นะแต่เราก็ไม่ถือว่าทุกข์อันนี้ก็คือความกลไกทางการบริหารจัดการ ถ้าบริหารจัดการไม่อยากให้มันทุกข์ก็ได้นะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราสบายเกินไปแล้วก็อ่อนแอใช่ไหมเราก็ทําให้มันทุกข์ขึ้นมาคือความเข้มแข็งเป็นพลังงานอันหนึ่งอะก่อนที่จบมีอะไรสงสัยไหมเจมแจ้ ง, จงชัดเจนนะพวกนี้จะได้เก็บอารมณ์เปนชุดแรกเลยแหละสําหรับผู้ผู้ผูเก่าฮถึงขึ้นมาก็ทําเลยพวกนี้ไม่ต้องทําวัาช้า สาหรับผู้ที่เข้าวันนี้นะแต่ถ้าคุณตื่นขึ้นมาหรือคงงเยอยู่คุณต้องมาทําว่าเช้านะคุณจะไปนั่งหลับซิลิมซิลต่อไม่ได้เสียเวลาอตื่นขึ้นมามันเออต า, ายใส่แจวทําแล้วกับพี่กับเป๋าคุณทําต่อเลยทํำไปแล้วเดินงูนไปเงยมาทํำท่าจะเข้าที่นอนเหมือนเดิมคุณรีบ ม, มาที่นี่เลยนะ <c oughs> <c oughs> คุณเช้าไม่ได้เช้าแล้วมันไปยาวเลยนะั่นนะหกโมงเจ็ดมงปลุกตื่นเพราะกินข้าวไม่ไหวนะนะเพื่อนลองดูนะถ้าใคร <c oughs> อะไรนะ ก็เป็นช่วงในช่วงไหนที่ส right? ู้ไม่ไหวก็ออกมาจอยจอยคอดสามชั่วโมงแบบเดิมชั่วโมงแบบเดิมหรือเปล่าช่วงอะนะความจริงแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยใครจะออกกำลังกายเป็นส่วนตัวก็ได้่ไปออกร่วมกันก่อนก็ได้แล้วก็กลับมาเข้าต่อถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำโดยเป็นส่วนตัวนะก็ไปร่วมคณะก่อน พอเสร็จจากนั้นก็มาปฏิบัติมาปฏิบัติจนกระทั่งว่าตอถึงเวลารับอาหารก็รับอาหารเพราะนั้นผู้ที่เข้าเก็บอารมณ์นี้ก็ต้องใช้ปิณโตอะไรใช่ไหมพูดนี้ก็มีสองระบบฮนะใช่เลยนะความปิณโตนะอ๋อโอเคลังหารเช้าเหรอ มันก็ไ่ได้พิจารณาอาหารเช้ากันนะพิจรารณาอ๋อพิจารณาอาหารเช้าก่อนถ้าหากว่าเราใช้เวลาช่วงเช้าหนึ่งชั่วโมงแอคเซอร์ไซส์พวกคุณก็กลับมาเตรียมตัวเข้าปฏิบัติต่อเลยไปถึงเจ็ดมงเนาะโมงก็รับอาหารวันรับอาหารเสร็จถ้าคนไหนไม่แน่ใจรับอาหารแล้วมันอืดเ อ, อ, อวยเ่งชาก็ต้องออกมาปฏิบัติร่วมก่อนพอได้อารมณ์เข้าไปใหม่ยังงี้นะมันจะไม่เสียเวลา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 ถ้ามันได้อารมณ์แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ยาวเลยนะคุณสามารถนั่งไป็นช่วงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อปรับอารมณ์ให้มันได้ปัจจุบันเท่านั้นเองนะพอมันได้ปัจจุบันอารมณ์พั๊บมันได้ที่ปับมันมันผ่อนคลายใช่ไหมผ่อนคลายคุณจะนั่งไปยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคําว่าได้อารมณ์ตัวนั้นมันจะต้องการนั่งมันก็จะไม่ทรมานแล้วอาการงวงเงียอาการฟุ้งซ่านอะมันจะไม่มีเลยนะมันจะเย็นสบายก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันยังมีแบบ อ๋อะคะแนนแสดงว่ามันยังไม่ลงตัวเพราะเวทนามันยังมีอยูคอ่คุณก็ปรับมันไปเรื่อยๆทมา้สักประมาณชั่วโมงสี่สิมเนาเยอะมากอ๋อนั่นเองส่บนาทีมีขึ้นแต่ก็ยังม่หยอก็เอาแค่ว่าพอทุนได้อะอย่าให้มันเยอะถ้ามันเยอะนี่นทุนไม่ได้แล้วใช่้ามันจริงจริมันทนได้แต่ว่าเราที่คือต้ไหว่าไปซืมัน คือคาว่าอย่าไปฝืนมันเนี่ยหมายถึงว่าเวทนามันยังยังดิ้นอยู่จิตมันยังดิ้นอยู่นะเพราะมันจิตดิ้นอยู่เวทนาก็เร่าร้อนใช่ไหมร่างกายก็เร่าร้อนไปด้วยพอเมื่อใดเราเหมือนด้วยจิตเมื่อใดคิดอะไรนะแต่มันดิ้นอยู่ลึกๆอ่ะเพราะมันมันแรงเหวี่ยงก็ทำให้กายเราไม่สบายไงแต่ถ้าเมื่อใดจิตของเรามันไร้แรงเหวี่ยงแล้วร่างกายมันจะสงบสบายเพราะระบบเลื่อนลงเขาจะเดินของเราเองได้สะดวก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 ถ้าเราสามารถคาำดาวหรือทําให้จิตของเราสงบเย็นได้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อยสงบไปด้วยนะอันนี้เป็นทฤษฎีที่พุทธเจ้าว่าไว้นะเมื่อกายสงบเราก็เมื่อจิตสงบท่านใช้คําว่าปัสสัทธิเนาะปัสสัทธิได้ปีติก่อนแล้วก็เกิดปัสสัทธิร่างกายสดชื่นโปร่งเบาแล้วก็เกิดความสงบระ ง, งับแรงเหวี่ยงของจิตก็จะน้อยลงก็เป็นปัสสัทธิแล้วก็เกิดสมาธิ จิตตั้งมั่นปัจจุบันคุณจะนั่งต่อไปยาวเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็อย่าไปลืมทานข้าวแล้วกันนะได้ลืจะลืมทานข้าวยาวเลยก็ได้นะได้ลง ม, มาอถึงท่าในปีนิ่งนะี่อ่นิ่งล้นะอะไรไปได้มาคือให้ศึกษาแบบวิทยาศาสตร์หน่อยอย่าไปอย่าไปมั่วหรือทุสีหรือว่าดัานทุลังนะก็ปรับไปปรับหาเอาปรไปปรับมามันมีช่วงมันจนได้คุณอย่าเบื่อก่อนก็แล้วกันนะให้มีมีฉันทะหน่อย มีสันทามมันจะง่ายขึ้นตอลงไม่มีอะไรสงสัยนะลงตัวหลวงพ่อบอกว่าแม้เราลงตัวเนี่ยแล้วเราสามารถเกิดการสภาวะอารมณ์ได้หรือว่ามัต้องเคลนอ๋อมันมันจะรู้เองอ่ามันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วว่าลงตัวเหมือนกับเราดื่มน้ําเนี่ยโอ้มันรู้สึกสดชื่นนี่ไงนะไม่มีใครบอกเราก็รู้เองหรือว่าเราหิวข้าวไปทานข้าวรู้สึกมัน อิ่มสบายเงี้นะมันจะรู้ของมันเองโดยมันก็จะแบบเข้าฌานก็เลยมันเข้าก็มันร้องรองก็เข้าเลยพอจิตลงตัวมันเข้าชาญได้แล้วน่ะเออมันก็ผ่อนคลายใช่ไหมคุณจะนั่งไปยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ชาญของเราไม่ใช่ชาญหลับตาทั้งจิตตามันลืมอยู่มันก็เหมือนไม่ลืมอ่ะใช่ไหมไม่ได้รับรู้อะไรหูได้ฟังอยู่ก็เหมือนไม่ฟังมันก็ช็อตมันก็แชทดาวของมันเองแต่การเคลื่อนไหวการรับรู้ยังสมบูรณ์อยู่อ่ามันก็ อาจจดันทุกส่วนสแตนบายพร้อมจะรับรู้อะไรก็ได้แต่ในช่วงนั้นไม่มีอะไรมากระทบให้ต้องมีเป็นเหตุนะนะมันก็ทําหน้าที่ของมันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นระบบนี้อย่าไปสงสัยว่าเข้าชานได้ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะผิดว่าเข้าชานต้องนั่งหลับตาอย่างนี้นะแต่คนที่ก็มีสติสัมยะ ก็นั่นเองจิตของเรามันมันมันมันเวี่ยงจนหมดแรงเลยนะมันก็คลายมันเลยวไปเียงเต็มที่แล้วจนกระทั่งบาดเจ็บแล้วก็เงี้ยในที่สุดก็มันก็ยอมจํานุนน้ำเกลแรงเวี่ยงก็คลายไปในช่วงที่จิตของเราลงตัวมันผ่อนคลายนี่เขาว่าอะดรีนาลีนมันหลังใช่ไหมล่ะเอ้ยไม่ใช่อโดฟินนะนะอโดฟินมันหลังมันก็เหมือนถ้าเข้าไปเยียวยาก็ทําให้มันหายไปพักหนึ่ง